มาตรานับเวลาเนื่องในสิกขาบทมีนยยะดังนี้มาตราวัดนี้สำหรับกำหนดดูระยะคือห่างชิดสูงต่ำยาวสั้นกว้างแคบเข้าใจว่าเดิมทีคงใช้นิ้วเป็นหลักในวิธีกระจายออกจะเอาอาวัยวะเป็นหลักไม่ได้แล้วจึงจับเอาเล็ดข้าวเป็นหลัก คำว่าเล็ดข้าวก็คือมาเล็ดข้าวนะครับในวิธีพนวกคงใช้อวัยวะเป็นหลักต่อออกไปมีรูปดังต่อไปนี้เจ็ดเล็ดข้าวเป็นหนึ่งนิ้วสิบสองนิ้วเป็นหนึ่งคืบหนึ่งคืบเป็นหนึ่งอกสี่อกเป็นหนึ่งวา 25หวาเป็นหนึ่งอุศบ8ปสิอุศ พ, ศพเป็นหนึ่งคาวุธ4สี่คาวุธเป็นหนึ่งโยตรูปนี้เข้ากันได้กับที่ใช้ในประเทศนี้และสมกันกับที่ใช้ในชมพูทวีบเมื่อพุทธศกหนึ่งพันส0ล่วงไปแล้วครั้งภิกษุจีนชื่อ่วงชางไปเล็ดข้าวนั้น ในอภิธานปฏิปิกาเรียกว่าธัญมาพในระยะทางของระหวนช่างเรียกว่าเยาวะเยวะข้างไทยเคยแปลกันมาว่าข้าวเหนียวได้เอาเล็กข้าวเหนียวทั้งเปลือกเรียงเทียบกับนิ้วช่างไม้ดูข้าวเหนียวดำโตไปเพียงห้าเล็ดก็ได้นิ้วหนึ่งข้าวเหนียวขาวเจ็ดเล็ดพอดี แต่เศษของนิ้วแบ่งแปสะดวกกว่านิ้วหนึ่งแบ่งสี่จะได้เรียกว่ากระเบียดกระเบียดหนึ่งแบ่งเป็นสองจะได้เรียกอนุกระเบียดหรือใช้เล็ดข้าวให้ลงแปดได้เช่นของเราก็ยิ่งดีตั้งแต่เล็ดข้าวจนถึงศอกเป็นแบบมาในคำภีอภิธานำปฏิปิกา ตั้งแต่สอขึ้นไปถึงโยธเป็นแบบมาในคำภีสังคยาประกาศ ก, กะชักมาแสดงในปุพาสิกาวันน า, นาในสิกาบทกล่าวถึงประมาณวัดที่วัดสั้นนับเป็นคืดคือไปอย่างนับเป็นฟุตกำหนดด้วยสุคตประมาณทั้งนั้นที่วัดยาวถึงโยธหาได้บอกกำหนดด้วยสุคตประมาณไว้ไหม ข้อนี้จากปราลบถึงข้างหน้าอีกอย่างหนึ่งสี่ศอกเป็นหนึ่งธนู5 0าร้อยธนูเป็นหนึ่งโกษะ4ีโกะเป็นหนึ่งคาวุธ4รคาวุธเป็นหนึ่งโยชนี้เป็นแบบมาในคำภีสังคยาประกาศกกเหมือนกันใช้เป็นเครื่องกำหนดระยะ แห่งเซนาสนาป่าซึ่งกล่าวถึงในสิกขาบท